บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานในสูตรข้อที่สองในข้อแรกนั้นคือเพื่อความวิสุทธิหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย ข้อที่สองทรงใช้คำบาลีว่าโซกะปริเดวนังสมาติกมายะคือเพื่อก้าวล่วงความโศกความร่ำไรรำพันของผู้ประพฤติปฏิบัติความโศกความร่ำไรรำพันที่เกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นจะต้องอาศัยความรู้เท่าทันถึงความจริง แห่งสิ่งที่ใจบุคคลไปกำหนดหมายว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของตนเพราะตามปกติแล้วความโสความรํำไรรพาพันนั้นจะเกิดเพราะปรารบการพลาดพลากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของที่ใจคนไปกำหนดไว้ว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของตน เมื่อสัตว์บุคคลสิ่งของเหล่านั้นเกิดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแตกดับไปความเศร้าโศกเสียใจก็บังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นและในที่สุดจิตใจของคนทั้งหลายก็แปงไปในเรื่องของเสียใจกับเรื่องของดีใจจะให้เกิดความสงบขึ้นแก่จิตใจได้ยาก พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติเพื่อยกจิตของบุคคลให้เลยจากความรู้สึกเศร้าโศกร่ำไรรำพันเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปและด้วยหลักการปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้นั้น เมื่อบุคคลปฏิบัติไปตามแนวในมหาสติปัฏฐานนสูตรจะเป็นข้อใดก็ตามจุดหมายปลายทางในการปฏิบัตินั้นจะทำคนให้เข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงแห่งสิ่งทั้งหลายเมื่อประสบกับความรัดพากเป็นต้นจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอานาจของความโศกความร่ำไรรำพัน แต่พูดถึงการตัดได้ขาดนั้นเนื่องจากความรู้สึกสายนี้เป็นเรื่องของความเยื่อใยอะไรอย่างรากลึกอยู่ภายในจิตใจของบุคคลดังนั้นระดับของพระอริยบุคคลชั้นโสดากับชั้นสกิทาคาจึงยังละเด็ดขาดไม่ได้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลระดับสามขึ้นไปคือพระอนาคามี กับพระอาหารหันต์แต่วันในขณะเดียวกันชั้นแห่งการปฏิบัตินั้นคนจะก้าวผ่านไปจนถึงจุดที่ทรงแสดงไว้ก็เป็นการยากดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงหลักธรรมที่ลดหลั่นกันลงมาเพื่อช่วยบรรเทาขาจัดความโศกความร่ำไรรำพัน ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตามสมควรแก่กรณนนีนั้นในชั้นแรกบุคคลจะต้องทำความรู้สึกให้ยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาว่าการเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลายแม้แต่ตนของตนเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยต่างๆ คนมาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตนและจะจากไปด้วยกรรมของตนการไปสู่กติต่างๆก็เป็นไปตามกรรมที่บุคคลได้กระทําเอาไว้เมื่อว่ากันตามความเป็นจริงแล้วชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้มาดํารงอยู่และจากไปด้วยกรรมของตน หลักพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เน้นไปในเรื่องความรักแต่ว่าเน้นไปในเรื่องของเมตตาให้บุคคลมีความรู้สึกปรารถนาดีหวังดีต่อคนและสัตว์ทั้งหลายต้องการที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายโดยทำตนเป็นอุปมาให้อยู่กันอย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ประทุษร้ายกันเมื่อบุคคลสร้างความรู้สึกได้เช่นนี้ในกรณีที่คนและสัตว์เหล่านั้นต้องประสบกับความพิบัติดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามจิตของบุคคลจะปรับเข้าไปอยู่ที่อุเบกขาคือสร้างความรู้สึกว่า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 ประสบความเปลี่ยนแปลงหรือความพิบัติตลอดถึงการล้มตายลงแทนที่จะเกิดความโศกเศร้าวความร่ำไรรำพันใจก็จะปรับเข้าไปอยู่ที่อุเบกขาโดยยอมรับถึงความจริงที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งหลายคล้ายๆกับคนซึ่งไม่อาจจะทำงานอะไรได้ภารกิจต่างๆได้เสร็จสิ้นแล้วก็เข้าไป สู่ห้องนอนพักผ่อนหลับนอนจึงชื่อว่าทําใจของตนใได้ประโยชน์ทั้งสองช่วงช่วงที่ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันโดยเมตตากรุณานะในช่วงที่สุดวิสัยใจของตนก็อยู่ด้วยอุเบกข า, าแสดงว่าเป็นธรรมะได้ทั้งสองช่วงนี้เป็นฐานที่สร้างความรู้สึกไว้ เป็นเบื้องต้นเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาจิตแล้วในช่วงที่สองคือให้เตรียมกายเตรียมใจยอมรับถึงความจริงแห่งชีวิตว่าจะต้องมีการพระดรากจากกันอย่างบทสวดที่สวดหลังจากทำความสงบนั่นเอง บทสวดนี้ทรงใช้คําว่าอภินาปัจเวคขนณะคือต้องพิจารณาบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกตามไปบ่อยๆเพื่อให้ใจยอมรับถึงความจริงเหล่านั้นว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเกิดแก่เพราะเกิดเจ็บ หรือแม้แต่จะต้องตายไปใจก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะคนที่ได้เสียมใจยอมรับความจริงในส่วนนี้เอาไว้ก็อาจจะพิจารณาเห็นได้ว่าอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารที่แท้จริงในชีวิตก็จะทำสิ่งเหล่านั้นให้บางเกิดขึ้นในชีวิตของตน ในความรู้สึกของผู้มีปัญญาที่ได้ใช้ชีวิตให้มากไปด้วยสาระประโยชน์นั้นการตายคือความแตกทำลายแห่งชีวิตอินทรีย์ถือว่าเหมือนกับการทำลายภาชนะดินไปใช้ภาชนะทองจะไม่รู้สึกกวนกลัวต่อความตายที่ปรากฏเฉพาะหน้าของตน พระมีความเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนได้กระทําเอาไว้ว่าจะทําจะไม่ทําให้ตนตกต่ําในภายภาคหน้าเหตุนั้นในช่วงนี้พระผู้มีพระภาคย่าจึงทรงสแสดงว่าบุคคลที่ได้กระทําบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงเขาย่อม บันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมารู้สึกว่าบุญตนได้กระทาไปแล้วนิพอีกช่วงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความโศกความรับรายรำพัน์ที่เกี่ยวกับตนช่วงที่สองนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปียชนคนที่รักทั้งหลายซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นบุคคลก็ตาม ก็ส่งสอนให้บุคคลปรับจิตให้ยอมรับความจริงถึงความพลัดพรากที่จะต้องบังเกิดขึ้นโดยท่งสอนให้พิจารณาตามบทต่อไปว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปความพลัดพรากนั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเราไม่พลัดพรากจากเขาเขาก็ต้องพลัดพรากจากเรา เพราะว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วการมาเกิดในโลกก็มากันคนละคราวมากันคนละโอกาสและมากันด้วยแรงกรรมที่ต่างกันการอยู่ในโลกก็เป็นไปตามกรรมของตนดังที่กล่าวเมื่อคราวจะต้องจากไปก็คือต้องจากไปไม่มีใครจะป้องกันการจากไปของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายไว้ได้ เมื่อเสียมใจยอมรับไว้เช่นนี้เวลาประสบความพรัดพลาดจากเพียชนจากสัตว์จากสิ่งของที่ใจไปกำหนดหมายไว้ว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจของตนก็จะสามารถรู้ทันต่อความจริงที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งหลายบรรเทาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ ความเสียใจเอาไว้ได้ในเรื่องนี้ว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วคนเราเข้าใจปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้พอสมควรทั้งนี้จะสังเกตว่าเวลาคนอื่นประสบกับความพลัดพลาดนั้นสามารถไปให้เหตุผลชี้แจงช่วยบรรเทาความโศกให้เกิคนเหล่านั้นได้แต่พอถึงคราวตนเอง บางทีก็ตั้งหลักไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้พิจารณาไว้บ่อยๆ อ, อย่างน้อยที่สุดคือช่วยปลุกปรอบให้เหตุผลแก่คนอื่นได้และในขณะเดียวกันเมื่อถึงคราวเกิดขึ้นแก่ตนก็ทำจิตให้ยอมรับความจริงได้ผ่านพ้นความโศกความร่ำไรรำพันที่เกิดขึ้นได้ ในประการต่อไปนั้นจะพบว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นในเรื่องนี้ตัวการสำคัญจริงๆนั้นอยู่ที่ความใส่ใจหรือไม่ใส่ใจถ้าหากว่าบุคคลไปใส่ใจเรื่องเหล่านั้น ความโศกความร่ําไรราพันธ์ก็จะบังเกิดขึ้นในกรณีที่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการให้เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องถ้าเป็นทางนํามาซึ่งความโศกเศร้าวความร่ําไรราพันธ์บุคคลก็ไม่ควรจะใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นเมื่อไม่ได้ใส่ใจไม่นํำมาไว้ภายในใจ ไม่สึกนึกถึงในแง่ที่ว่าตนต้องสูญเสียตนต้องพละดพากแต่ก็มองไปในแง่ที่ว่าเขาก็เป็นสุขไปแล้วตนเองก็ได้รับความสงบใจอีกประการหนึ่งนั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ออกจะทำยากเพราะเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติกรรมฐาน ได้แก่การทำความรู้สึกว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุคือตนเองก็สักแต่ว่าธาตุที่มาประชุมกันสิ่งต่างๆที่ปรากฏในร่างกายนี้ลักษณะใดที่แข็งแข็งจับต้องได้ก็เรียกว่าธาตุดินลักษณะใดที่เ อ, อิบอาบไปมาได้ก็กลายเป็นธาตนะุน้าลักษณะใดที่พัดผันไปมาได้ก็เรียกว่าธาตุลม ลักษณะใดที่ทํากายให้อุปป่นทํากายสุดโสมเผาอาหารในย่อยเป็นต้นก็เป็นธาตุไฟมองให้เห็นสักดิ์เทวธาตุที่ก่อเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่าไรรังพันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามก็ศักด์เทวธาตุเราเองก็เป็นแต่เพียงธาตุเพราะฉะนั้นธาตุทั้งหลายนั้น จะมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปเมื่อธาตุเหล่านั้นต้องแตกดับไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาประการนั้นการทำใจให้รู้สึกได้อย่างนี้ก็บรรเทาความเศร้าโศกความเสียใจลงไปได้เรื่องของการทำจิตในชั้นต่างๆที่กล่าววันนี้ว่ากันตามหลักความเป็นจริงแต่และชั้น คนก็ทำกันได้อยู่พอสมควรแต่ว่าในหลักที่จะให้ผ่านพ้นความโศกความร่ำไรไปได้นั้นจะต้องแก้ปัญหาที่จิตตนเองได้หมายความว่าแม้ผงเข้าตาตนเองก็เอาออกได้คือไม่ใช่ช่วยเอาออกให้ในกรณีที่ผงเข้าตาคนอื่นแต่พอเข้าตาตนเองกลับเอาออกไม่ได้ แล้วในชั้นที่จะสามารถสงบระงับได้จริงๆเป็นการสงบได้ชั่วคราวกับสงบได้สิ้นเชิงบุคคลจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของสมถะคือทำใจให้สงบในอารมณ์กรรมฐานนั้นๆและใช้ปัญญาพิจารณาเห็นประจักษ์ชัดในอารมณ์ของกรรมฐานที่ต้องอาศัยปัญญา พินิษพิจารณาในช่วงของความสงบเมื่อบุคคลบรรเทากามฉันลงไปได้ความโศกความร่ำไรในเรื่องนั้นก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและในช่วงของการใช้ปัญญาเข้าไปพินิษพิจารณานั้นเมื่อตัดการมราคะปฏิคัาขาดออกจากจิตต่อแต่นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขหรือเป็นเรื่องของความทุกข์ก็ตามในข้อที่สมนั้นทรงแสดงว่าดุขโดมานัตซาดังอัทังกะมายะเพื่อความอัสดงดับไปของความทุกข์และความโทมนัตเรื่องความทุกข์ความโทมนัตนั้นเมื่อมาคู่กันอย่างนี้พวกโศกะ ความโศกปริเทวะความคร่ำครวญร่ำไรรำพันเกิดขึ้นเพราะปรารบสิ่งที่ใจไปกาหนดว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจส่วนความทุกโทมนัตปรารบสิ่งที่ตนไม่ชอบใจคือเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจในลักษณะต่างๆก็เกิดความทุกข์ความโทมนัตขึ้นมา ที่พูดถึงกรณีที่ธรรมะมาคู่กันอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าโดดเดี่ยวออกไปแต่ละอย่างก็มีความหมายครอบคลุมได้ทั้งส่วนที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเมื่อกล่าโดยสรุปแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนนั้นคือส่วนที่น่าปรารถนากับน่าไม่น่าปรารถนาเมื่อส่วนที่น่าปรารถนาได้ตามปรารถนา บุคคลก็ชื่นชมโสมนัสกับเรื่องเหล่านั้นเมื่อสิ่งที่ตนปรารถนาพอใจเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความสุขความร่ไรร่ำพันธ์ฝ่ายส่วนที่ตนไม่ปรารถนานั้นเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดทุกข์เกิดโทมนันตสเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปแตกดับไปก็เกิดเป็นความสุขความโสมนัสเพราะฉะนั้น สภาพจิตของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นคืออาจจะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้โสมนัสก็ได้โทมนัสก็ได้ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับจิตที่ไปกาหนดเรื่องเหล่านั้นไว้ประการหนึ่งและเกี่ยวข้องกับอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากภายนอกนั้นประการหนึ่งถ้าใจไปกาหนดเรื่องอันใดบุคคลใด และสัตว์เราใดไว้ว่าตนไม่ชอบใจเวลาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นก็เกิดความทุกข์ความโทมนัสขึ้นมาความทุกข์ความโทมนัสนั้นตามปกติแล้วก็คือสิ่งที่ตนหวังไม่สมหวังและสิ่งที่ไม่หวังกลับบังเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความโทมนัสการที่จะละความรู้สึกเหล่านี้ได้ เด็ดขาดก็มีนยะเช่นเดียวกับที่ได้กล่าว ม, มาแล้วในข้อก่อนเพราะแต่ละไฟล์ก็เป็นพวกปกินะกระทุกคือทุกจรด้วยกันแต่ว่าในชั้นของชีวิตประจำวันนั้นบุคคลจำเป็นจะต้องอาศัยการสร้างความรู้สึกให้เข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น มองพิจารณาเห็นโทษของความทุกข์ความโทมนัสที่บางเกิดขึ้นภายในจิตใจว่าเปรียบเหมือนการเพราะเชื้อโรคเข้าภายในกายของตนแล้ในที่สุดปริมาณของเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะแพร่ขยายออกไปสร้างความทุพลภาพให้บังเกิดขึ้นแก่ร่างกายของตนการไปกาหนดหมายสิ่ง ต, งต่างในฐานะที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นท่านจึงสอนให้สร้างความรู้สึกที่จะต่อต้านอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เป็นชั้นๆเ ช, น ช, นช่นเดียวกันเช่นว่าชั้นแรกโดยการสํารวมระวังคือถือว่าเรื่องบางเรื่องถ้าไม่ดูไม่เห็นซะเลยได้ก็จะเป็นการดีเพราะในกรณีที่ดูที่เห็นไปแล้ว เกิดความทุกข์ความโทมนัสก็ตัดใจไม่ดูเรื่องเหล่านั้นก็ได้แก่การไม่มนัสสิการถึงเรื่องเหล่านั้นนั่นเองคำว่ามานัสสิการคือใส่ใจไม่มนัสสิการก็คือไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจในภาษาที่ใช้กันทั่วไปซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงการปฏิบัติโดยไนยะนี้คนก็ทำได้กันจูข้อนี้พึงดูตัวอย่างเวลาเดินไปในสถานที่ต่างๆนั้น มีสิ่งเป็นอันมากที่เราไม่ได้ใส่ใจเลยเมื่อไม่ใส่ใจก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจทั้งในฝ่ายดีและในฝ่ายที่ไม่ดีในเรื่องเหล่านี้ชั้นแรกที่สุดจะต้องอาศัยการสำรวมระวังอาญตนะอย่างที่ว่าและตัวการที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความโทมนัสมากที่สุด ก็คือเรื่องตาเรื่องหูกับเรื่องของปากถ้าหากว่าบุคคลได้อาศัยการสำรวมระวังในเรื่องเหล่านี้สงบใจสิบ้างคือไม่ใช้ตาดูในเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจไม่ใช่หูฟังในเรื่องที่ไม่สบายใจหรือไม่พูดในเรื่องที่ก่อให้เกิดความวิวาทการทะเลาะกันการทุ่มเฉียงกันหรือว่าด่าว่ากัน ในข้อนี้ท่านอุปมาจิตของคนเอาไว้ก็เหมือนกระเลงคือลุกหลีกไปในอารมณ์ต่างๆไม่อยู่กัที่และในขณะเดียวกันท่านก็ น, นำลิงมาสอนคนคือว่าบางโอกาสให้บุคคลเรียนตัวอย่างของลิงไว้บ้างโดยทำเป็นรูปลิงไว้สามตัวที่แพร่หลายกันทั่วไปคือปิดปากปิดตาแล้วก็ปิดหูเอาไว้ คือหมายความว่าลิงถึงแม้จะหลุกหลิกขนาดนั้นโซนขนาดนั้นแต่บางเวลาแกก็ปิดตาปิดหูปิดปากแกได้เหมือนกันคือยุติเรื่องเลวร้ายเอาไว้ได้แล้วท่านก็กล่าวไว้เป็นคำกรนว่าปากเป็นปูหูตะกล้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราว คือถ้าดูไปแล้วร้อนใจฟังไปแล้วร้อนใจพูดไปแล้วร้อนใจก็อย่าพูดเป็นการยุติเรื่องทั้งหมดคล้ายๆกับว่าไฟมันเกิดลุกขึ้นมาแล้วมีค้าวว่าจะไหม้ต่อไปก็ไม่ให้เชื้อแก่ไฟนั้นเมื่อหมดเชื้อที่แกไหม้อยู่แกก็ต้องดับเองและประการต่อไปก็คือเรื่องการสร้างความรู้สึกเมตตากรุณาให้บังเกิดขึ้นต่อคนและสัตว์ทั้งหลาย มองเห็นว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกันกันกบเราในฐานะใดฐานะหนึ่งกระตัเช่นว่าเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันนี่กว้างที่สุดเพื่อนร่วมโลกกันร่วมประเทศการร่วมชาติการร่วมศาสนากันเปน็นต้นเพราะใดพระทหากวก็สร้างความรู้สึกในลักษณะนี้ให้บังเกิดขึ้นได้แล้วเวลามีอะไรมากระทบ ก็จะไม่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความโทมนัสขึ้นมาอย่างในกรณีที่บุคคลเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นลูกหลานหรือกับบุปการีผู้ใหญ่แม้ว่ามีอะไรหนักนิดเบอหน่อยก็สามารถทำใจให้สบายได้ซึ่งแสดงเห้นว่าโดยพื้นจิตจริงๆถ้าคนปรับจิตให้ถูกให้ควรแล้วแม้จะกร ะ, กระทบกับอารมณ์ที่รุนแรงอะไรป่า ก็ทาใจให้เยือกเย็นไม่ต้องเกิดความทุกข์ความโทมนัสได้และประการที่สำคัญนั้นก็คือว่าพยายามปล่อยวางความยึดความถือในเรื่องต่างๆไอ้สิ่งที่ยึดที่ถือถ้าเป็นประโยชน์ก็ยึดก็ถือไว้ในชั้นของชีวิตทตั่วไปแต่ว่าสิ่งใดที่ยึดถือไปแล้วไม่อํานวยประโยชนใ์ให้อะไรแก่ตนเลย ยังยกตัวอย่างเช่นความอาฆาตความพยาบาทที่ไปยึดไปถือไปเก็บกัดกลุ่มเอาไว้นั้นมีแต่แผดเผาจิตใจตนเองจุดไฟขึ้นเผาหล่นใจตนเองให้เดือดร้อนเท่านั้นท่านก็สอนให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าไปยึดอย่าไปถือเรื่องเหล่านั้นก็คล้ายๆกับจับไฟที่ร้อนหรือจับอสรพิษไว้ก็ต้องพยายามหาทางสลัดเจองเหล่านั้นออกไป เพราะขืนจับไว้ก็มีแต่อันตรายส่วนเดียวเรื่องราวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความโทมนัตก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลปล่อยวางได้ไม่ไปยึดถือเรื่องเหล่านั้นเอา จ, จ, จริงเอาจังเกิดไปเพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องของความยึดถือเอาเท่านั้นข้อนี้ลองสังเกตดูว่าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความโทมทุกข์โทมนัตสำหรับคนหนึ่งนั้น อีกคนหนึ่งเห็นอาจจะรู้สึกเฉยเฉยอีกคนหนึ่งเห็นอาจจะถือเป็นเรื่องสนุกไปก็ได้เพราะฉะนั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะใจไปกำหนดสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเพียงมายาเป็นภาพหลอนที่ใครจะไปกำหนดเอาอย่างไรก็กำหนดเอาได้กลายๆลกับ น, นั่งมองดูก้อนเมฆคือคนอาจจะมองไปในรูปร่างต่างๆกันก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นจิตของคนนั้น มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆอะไร เ, ออเก็บปัญหาต่างๆอะไรเอาไว้ภายในใจแล้วก็มองดูภาพก้อนเมฆไปในลักษณะนั้นๆหรือเหมือนกับการฟังเสียงรถไฟคือคนที่ฟังนั้นก็ฟังไปในลักษณะต่างๆขึ้นอยู่กับพื้นจิตในขณะนั้นๆเรื่องเหล่านี้ท่านจึงสอนไม่ให้ยึดไม่ให้ถือรู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วก็ทำจิตให้สงบเย็นอยู่โดยเมตตาเป็นหลัก พยายามใช้สติปิดกั้นกระแสของอารมณ์ที่จะนำความทุกข์ความโทมนัสได้บังเกิดขึ้นภายในใจก็จะแก้ไขบรรเทาความทุกข์โทมนัสเหล่านั้นให้เบาบางลงไปได้เมื่อบุคคลปฏิบัติได้ไปในระดับใดระดับหนึ่งตามวัตถุประสงค์ทั้งสองประการนี้ก็ชื่อว่าได้ดำเนินตามบาดยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมสัมผัสความส ง, งบเย็นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปเขาให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป